ยานีทะพุตานีสมาคตานีภุมมานิวายานิวอันตริงค์ สาเพวพูตาสุมนาบวันตูอโทโิสากาจสุนันตุภาสิตังตาสมัยพูตานิสาเมทะสัมเพเมตังกะโรธรมมนุสิยาปชายาทิวาจราโตจารันตีเยบริงตาสมัยเนราคาาอปมันตาง ยังเกินยเวิตังอิทาุรังวาสักเเคสวายังรัตนังปณิตังนโนสมังอาทิตทาคะเตนาอิธัมบิพเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโฮตุ ขยังวิราคังอมตะตังปณิตังยะาชคาสักยมุนีสมาัิโตนาเตนาธรรมเมนสมาเทกินจีอีธรรมบิธรรมเมรตนานังปณิตังเหตเตนาสาเจนสวุวาติโหตุ ยัมพูทเสโทปริวันนีสุจริงสมาธิมานันตริกัญญาหูสมาธินาเตนสโมนวิชติีิธัมพิธรรมเมรตานังปณีตังเอเตนสัจเจนสุวัติโหตุ เยปุคราอาทสตังปสสันธาจัตตารีเอตานิยุคานิฮุนตีเตทาคินายาสุขตาสสาวกาเอเตสุทินานิมหบรรานีกิธัมปิสังเครตานังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสวาทิโหตูเยโสปโยตามนสาดันเฮนา เนกามิโนโคตมศาสนำหีเตปาเิปาตาอมตัะวิไขหาลาธามุธานีผู้ถงพุญชมานาอีธรรมปีสังเครตานังปณีตังเอเตนะซาเจนะสวัติโหตุยาธินทคีโลปัทวิงสิโตสิยาแกโตพิวาเตพิอาศัมปกรรมปิโย จทูปะมางสาปุริสังวดามีโยอริยสาจานิอเวชปสติอิธรรมปิสังเคตานังปณีตังเยเตนะสาเจนะสวัติโหตูเยอริยสาจานิวิบาวยันตีคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานี กินจาปิเตโหติสุสาปะมันตานาเตบวังอาธรรมมาที่ยันตีกิธรรมปิสังเคระตังปนีตังเอเตนาซาเจนาสุวัติโหตูสหาวาสดาสนะสัมปทาญาแต่ยาชุธรมมาใชิตาบวันตีสากายทีทิวิชิกีชิตันจา สีลาปตังวาปิยาธาติกินจิจะตูหปาเยหิจะวิปมุตโตชาชาพิธานานิอภาโพก้าตุงอิธัมปิสังเขรตานังปนีตังเอเตนะสาเจนะสุวาติโหตูกินจาพิโสกรรมมังกรติป้าปะกัง ขายนวาจายุตเจตสาวาอภาโพโสตาสัพพิชะทายาอภาปตาธิตาปทาสวุตายิธัรมบิสังเคระตานังปณนีตังเอเตนะาเจนะสวาติโหตุ วนาปโคมเพยยาทาภูสิตังเขคิมหานมาเซปธรรมาสเมิงคิมเหแต่ทูปะมังธรรมวรังอเทศยีนิมบานาามิงปรมังหิตายอิธรรมปิโูเทรตนังปนิตังเหเตนาสัจเณสุวัติโหตุ วารวรันยูวรโทวราหโรอนุตตะโรธรรมวรังอเทศยีอีธรรมบิพุเถรตนณังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุอาทิโหตุขีนางปุรานังนาวังนาธิสัมเบวังวิราตจิตายติเกภวัตสมิงเตคีนาพีชาอเวรุณหิชันดา นิพันติธีรายทายมปทีโปอิธรมปิสังเครตะนังปนีตังเกเตนะซาเจนะสุวัิโหตุยานีทะพุตานิสมาคตานีบุมมานิวายานีวอันตริงเคตถาคตังเทวมนุสะพูชิตัง พุทธังนมาสามะสุวัติโหตุญาณีทะผูตานิสมมาคตานีภูมมหานิวายานิว่าอันตริงเคแต่ทาคตตังเดวะมโนสะพูชิตังธรรมังนมาสามะสุวัติโหตุญานีทะผูตานิสมมาคตานี พุมมานิวายานิวอันตริงเคตถาคตังเนวะมโนสะปูจิตังสังฆังนามาสามะสวัิโหตุรัตนสุตังนิทิตัง